เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอบาสุอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ย6สิหกุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมวัสดิ์วันฟังธรรม วันสร้างสะสมบุญบารมีต่างๆเช่นวิริยะบารมีคือความภาคเปลี่ยนเพราะการกระทำอันใดก็ตามต้องมีความภาคเพี่ยนถึงจะสำเร็จผลที่ปรารถนาได้ดังในสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นทางศาสนาความสาเร็จทางศาสนาก็คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความภาคเพียงด้วยความอุตสาหเวรยะกรรมกิจที่พระพุทธเจ้า สงสอนให้กระทาที่มีอยู่3ประการด้วยกันคือ 1. ทําทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม 2. ละบาปทั้งปวงให้หมดสิ้นไป 3. ชํชำระใจให้สะอาดบริสุทธ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี่คืองานที่จะทำให้จิตใจนั้นสะอาด บริสุทธิ์ผุดพองปราศจากความทุกข์ทั้งหลายปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นแหล่งของความทุกข์ต่างๆนั่นเองเพราะเมื่อเกิดแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายการพักพรากจากการเป็นธรรมดาเพราะ โลกที่เราไปเกิดนี้อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออลิจังทุกขังอนัตตามีการเจริญมีการเกิดแล้วก็มีการดับมีการเจริญก็มีการเสื่อมและเป็นอนัตตาคือไม่แยกอยู่ภายใต้ความปรารถนาของใครทั้งทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะไปสั่ง ไม่ให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พาดพลากจากกันได้ดังนั้นทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือต้องไม่ต้องไม่กลับมาเกิดดังที่สงตัดไว้ว่าผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นที่จะไม่มีความทุกข์ทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภพภูมิใดก็ตามก็ยังจะต้องมีการดับการเสื่อมเป็นธรรมดาถึงแม้จะไม่มีร่างกายอยา่างเช่นร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเดราาัจฉานแต่ร่างกายทิพนี้ก็ยังไม่ก็ยังต้องเสื่อมเช่นเดียวกัน เช่นถ้าไปเกิดเป็นพรหมต่อไปก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็จะเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ต้องกลับมาเกิดใหม่หรือถ้าทำบาปก็ต้องไปเป็นนรกไปอยู่ใน น, นรกก็กายทิพย์เหมือนกันแต่เป็นกายทิพย์ที่มีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนความทรมาน รูอไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นเปรยก็เป็นกายทิพอีกอย่างหนึ่งเป็นกายทิพที่มีแต่ความหิวมีแต่ความอยากความต้องการได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอท่านจึงเปรียบเหมือนกับคนที่มีปากเท่ารูเข็มกินเข้าไปดูดเข้าไปเท่าไหร่ ก็ไม่พอเพราะมันน้อยปากรูเข็มนี่มันเอาของเข้าไปได้ไม่ได้มากฉันใดผู้ที่มีความอยากมากๆก็เหมือนเหมือนกับผู้ที่มีปากเท่ารูเข็มได้มามากน้อยเพียงไรก็จะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเราให้ได้มาเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังหิวยังอยากอยู่เราให้กินจนกระทั่งท้องกลาง กินไม่ลงแล้วก็ยังไม่อิ่มเพราะมันไม่ได้ความอิ่มความหิวนี้ไม่ได้อยู่ที่การมีมากหรือมีน้อยแต่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ใจว่ามีความอยากมากหรือความอยากน้อยหรือไม่มีความอยากเลยถ้ามีความอยากมากต่อให้ได้มีมากน้อยเพียงไรก็ยังอยากอยู่อย่างนั้นหิวอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าไม่มีความอยากเลยถึงแม้จะไม่มีอะไรเลยก็จะไม่หิวจะมีแต่ความอิ่มเพราะนี่คือธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ใจจะสุขใจจะอิ่มนั่นอยู่ที่ความพอความไม่อยากใจจะทุกข์ใจจะหิวอยู่ที่ความอยากอยู่ที่ความโลภอยู่ที่ความโกรธที่เกิดจากความหลง ดังนั้นวันนี้พวกเราจึงมาสร้างความภาคเพียรกันมาทำความดีกันมาละบาปกันมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการตัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆโดยการทำบุญให้ทานโดยการรักษาสิง โดยการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิดินจงกรมภาวนาเรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือวิธีการที่จะทำให้จิตใจนั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปได้ในที่สุดขึ้นอยู่กับความภาคเพียรคือวิริยะบาลมีความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียร น, นี้สําคัญมากถึงแม้จะมีศรัทธามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีความภาคเพียรศรัทธาที่มีก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด เช่นวันนี้มีศรัทธาอยากจะทำบุญอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมแต่ขี้เกียจไม่อยากจะตื่นตื่นขึ้นมาเห็นฝนตกก็กลับไปนอนต่ออย่างนี้ก็จะไม่ได้มาทำบุญไม่ได้มารักษาศีลไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมการมีศรัทธาอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ การมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีวิริยะความภาคเพียรภาคเพียรที่จะมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทำให้ใจนั้นสะอาดขึ้นและมีความคิดที่จะทำบาปทำกรรมน้อยลงไป มีความคิดที่อากจะทำบุญทำความดีเพิ่มมากขึ้นไปนะดังนั้นขอให้เราต้องอดูความภาคภูมิของเราเป็นหลักอย่าให้ติเลตมาหลอกเราคิดว่าเราทำมากแล้วเราต้องดูการกระทำของเราว่าเป็นไปตามที่เราคิดหรือไม่ การกระทำความภาคเพียรนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แยกเป็นสี่ลักษณะด้วยกันคือ 1. ให้เพียรพยายามทำความดีที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น 2. ให้เพียรพยายามรักษาความดีที่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ให้สูญหายไป 3. ให้เพียรพยายามละการกระทำบา การกระทำไม่ดีทั้งปวง4ีให้เพียรพยายามป้องกันไม่ให้บาปการกระทำบาปและการกระทำไม่ดีต่างๆที่ได้ละแล้วได้เลิกแล้วไม่ให้หวนกลับคืนมาอีกนี่คือความเพียรสี่ลักษณะด้วยกันที่เราควรจะคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่า ขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เราทำความดีเราละบาปหรือเปล่าหรือเรากลับไปทำบาปบาปที่เราเคยละแล้วเรากลับไปทำใหม่หรือบาปที่เรายังไม่ได้ละเราก็ยังทำอยู่อย่างนี้ก็จะไม่ถือว่าทำความภาคเพียรเมื่อไม่ทำความภาคเพียรผลที่จะเกิด ขึ้นในใจคือความเจริญของใจขึ้นไปตามลำดับและการดุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดที่จะน้อยลงไปตามลำดับนั้นเป็นอย่างไรนะขอให้เราดูตรงการภาคเพียงสี่ประการด้วยกัน การภาคเพียงทำความดีเช่นการทำบุญให้ทานนี้ก็เป็นการทำความดีอย่างหนึง่งซึ่งเราควรจะทำอย่างต่อเนื่องและทำให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่วัดทำกับพระภิกษุสามเณรหรือนัก บ, บวชเท่านั้นเราสามารถทำได้กับ ทุกๆคนและรวมไปถึงแม้แต่เดรัจฉานถ้าเราให้ทานเขาช่วยเหลือเขาก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นการทำความดีเหมือนกันนะเพราะว่าการมาวัดนี้เราไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องแต่การทำบุญนี้เราควรจะทำอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เราพบกับคน นั่นและคือเวลาที่เราจะได้ทำความดีมีอะไรพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปมีอะไรพอที่จะให้เขาได้ก็ให้เขาไปนี่ก็จะเป็นการทำความดีได้อย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเราทำความดีอย่างนี้เป็นนิสัยแล้วก็อย่าไปเลิกทำ ทำไปจนกว่าจะไม่มีอะไรจะให้ถ้ายังมีอะไรจะให้อยู่ก็ให้ไปเถิดเพราะว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันก็ไม่ได้เป็นของเราและไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราถ้าเราเก็บเอาไว้เฉยๆ เ, เวลาตายไปเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเราจะไม่ได้ไป จะไม่มีอะไรติดตัวไปจะไม่มีบุญไม่มีกุศลติดตัวไปแต่ถ้าเราให้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันก็จะกลายเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาทำให้จิตใจเรามีความสุขมีความอิ่มเอิมีความเจริญสูงขึ้นการให้นี่แหละที่ทำให้ใจของ มนุษย์นี้กลายเป็นเทวดาการเป็นเทวดานี้ต้องมีใจที่เมตตากรุณาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่ไม่ทำบาสด้วยไม่ใช่เพียงแต่ให้อย่างเดียวช่วยเหลือคนอื่นอย่างเดียวแต่จะไม่ต้องทําบาสด้วยเช่นเราอยากจะให้คนอื่นเราไม่มีอะไรจะให้ เราก็ไปขโมยของคนอื่นมาให้อย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ได้เป็นเทวดาอย่างนี้จะเป็นเปรตหรือ เ, เป็นเดรัจฉานไปเราต้องให้ของที่เรามีเป็นของของเราอย่าไปเอาของคนอื่นมาให้อย่างนี้ไม่ได้บุญไม่ได้เป็นเทวดาถ้าอยากจะเป็นเทวดาอยากได้บุญ เราก็ต้องให้ของที่เรามีอยู่แก่ผู้อื่นไปโดยไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับให้ไปเพื่อสงเคราะห์ให้ไปเพื่อให้เขามีความสุขให้ไปเพื่อลดความหลงในการมีความยึดติดอยู่กับในของต่างๆให้ไปเพื่อลดความเสน่ ความหวงแหนอันเป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจเราต้องให้แบบนี้พยายามฝึกให้ให้เป็นนิสัยแต่ถ้าเราไม่มีให้ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกว่าเราไม่ได้ทำความดีเพราะมีการทำความดีอย่างอื่นที่เราควรจะทำ ก็คือการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมเราไม่มีอะไรจะให้เราก็มาปฏิบัติธรรมกันนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องมีเงินทองก็ปฏิบัติได้ไม่ต้องมีอะไรให้ใครเพียงแต่ว่าต้องมีศีลคือต้องไม่ทำบา ต้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับอบายามุขต่างๆเช่นการเดิมจุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการพบคนชั่วเป็นมิตรและความเกียดช้งนี่คือสิ่งที่เราต้องชำระต้องเพีเพยนพยายามละให้ได้ละบาทแล้วก็เพียงพยายาม ป้องกันไม่ให้บาปและการกระทําที่ไม่ดีนั้นกลับคืนมาอีกเช่นถ้าเราเลิกเดินสุราได้แล้วก็อย่ากลับไปดื่มอีกถ้าเลิกเล่นการพ น, นันได้แล้วก็อย่ากลับไปเล่นอีกถ้าเลิกเที่ยวกลางคืนได้แล้วก็อย่ากลับไปเที่ยวอีกถ้าเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์เอาพืชิลอะไรนี พูดจบหมดเท็จได้แล้วก็ต้องพยายามอย่ากลับไปทําอีกพราะถ้ากลับไปทําอีกก็เหมือนกับเดินถอยหลังนั่นเองเราเดินไปข้างหน้าด้วยสองเก้าเดียวเราก็เดินกลับถอยหลังอีก3าก้าอย่างนี้ก็จะไม่มีการเจริญเก้าหน้าเราต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวทําความดีอยู่เรื่อยๆ ทำความดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าทาอย่าให้มันน้อยลงไปอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้ทำให้มากขึ้นก็ขอให้ทำเท่าเดิมเช่นเรามาวัดทุกวันทุกอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ขอให้มาเป็นประจำอย่าให้น้อยกว่าหนึ่งครั้งแต่มากกว่าหนึ่งครั้งได้จะมาสองครั้งสามครั้ง หรือเจวันเลยก็ได้ซึ่งมีญาติโยมบางท่านได้ทำอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วมาใส่บาต ท, ทุกวันเลยไม่มีขาดนี่คือการกระทำความดีที่เกี่ยวกับการให้ทานแต่การกระทำความดีที่สำคัญต่อ ก, การให้ทานก็คือการชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ชำระความโลภความโกรธความหลงด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้วิธีที่จะชำระเหมือนกับถ้าเราไม่รู้จักวิธีซักเสื้อผ้าให้สะอาดเราก็อาจจะซักไม่สะอาดไม่รู้ว่าต้องใส่แฟบเข้าไป ไม่รู้ว่าต้องใส่น้ำมากน้อยเพียงไรไม่รู้ว่าจะต้องต้องขยำต้องขยี้มากน้อยเพียงไรเราต้องไปศึกษาจากคนที่เขารู้ก่อนเขาจะบอกเราวิธีการซักเสื้อผ้าให้เราพอเรารู้แล้วเราก็เอามาซักเสื้อผ้าของเราได้ทั้งใดใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้า ที่มีสิ่งสกปรกคือความโลกความปวดความหลงนมีคอยมาทาให้ใจของเราเศร้าหมองมีความทุกข์มีความไม่สบายอกไม่สบายใจความว้าวุ่นขุ่นัวความวิตกกังวลความเศร้าส้อยไม่เหงาความเศร้าโศกเสียใจ ความว่าเวอ้างว่างเปล่าเกลือสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากกากรกระทำของกิเลสตัณหาทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะชำระให้หมดไปจากใจของเราได้ด้วยการฟังวิธีการชำระนี้จากพระธรมรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่าใจของเรานี้ยั ง, งโง่อยู่ยังมีความหลงอยู่ยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่เห็นวิธีที่ทำให้ใจของเรามีความทุกข์มากขึ้นว่าเป็นวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเช่นเวลาเรามีความทุกข์ใจเราก็ดื่มสุรายามเมาหรือออกไปเที่ยวอย่างนี้ นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำให้ใจของเรามีความทุกข์น้อยลงไปแต่จะทำให้ใจของเรามีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเพราะว่าเวลาเดินโราก็จะต้องเสียเงินเสียทองและเวลาเดินไปแล้วก็จะไม่มีสติประคับประคองจิตใจก็อาจจะไปทำเรื่องราวที่เสียหายหเกิดขึ้นได้ เช่นถ้าไปขับรถก็อาจจะไปประสบกับอุบัติเหตุถ้าไปคุยกับใครก็อาจจะเกิดการทะเลาะบอกแวง้งเกิดการทุบตีกันขึ้นมาได้เพราะเวลาได้ยินได้ฟังอะไรที่ไม่ศบอารมณ์ก็จะเกิดความโกรธเกิดความแค้นขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีสติคอยยับยั้งความโกรธความแค้น ก็จะต้องระบายออกไปด้วยการพูดและการกระทําที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็จะต้องจับเราไปลงโทษหรือสร้างความเสียหายให้กับเรานี่คือไม่ใช่วิธีที่ดับความทุกข์ความทุกข์ใจนี้ท่านสอนว่าเกิดจากความหลงเกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่า ถ้ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ได้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจะมีความสุขพอไม่ได้สิ่งที่อยากจะได้พอไม่ได้ทำในในสิ่งที่อยากจะทำก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาวิธีที่จะดับความทุกข์ใจก็คือต้องเปลี่ยนใจของเราสมมุติเราอยากจะได้อะไรก็ให้เปลี่ยนใจว่าไม่อยากได้แล้ว พอเราไม่อยากได้แล้วเราก็จะไม่เสียใจไม่อยากจะทําแล้วเช่นเวลาอยากจะไปเที่ยวถ้าเปลี่ยนใจว่าไม่อยากไปแล้วตอนนี้ฝนตกหนักอยู่บ้านดีกว่าตท่านี้การไม่ได้ออกไปเที่ยวก็จะไม่เป็นความทุกข์ติดต่อไปแต่ถ้ายังมีอยากยังมีความอยากออกไปเที่ยวอยู่แล้วไม่ได้ออกไปก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา เพราะความทุกนี้เกิจดจากความอยากของเราเท่านั้นถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่มีความทุกข์ใจเช่นขณนะนี้ไม่มีใครอยากจะออกไปข้างนอกก็อยู่ข้างในนี้อยู่อย่างสบายใจแต่ถ้าฝนไม่ตกแล้วข้างนอกมีอะไรที่ทำให้เราอยากออกไปเราก็จะทนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ พ็จะเกิดความกวนายกระสับกระสายเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองดังนั้นขอให้เราจงพยายามดูใจของเราเสมอเวลาเกิดความทุกข์ใจนั้นขอให้เราถามตัวเองได้เลยว่าตอนนี้เรากำลังทุกข์กับอะไรเรากําลังอยากกับอะไรทุกเพราะว่า คนนั้นคนนี้เขาไม่ทาอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับเราใช่หรือไม่ถ้าเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาสอนใจเราว่าเราไปหวังอะไรจากใครไม่ได้เราไปบังคับอะไรจากใครไม่ได้อาจจะได้บ้างบางครั้งบางเวลาแต่ไม่ได้เสมอไปเวลาที่ได้ก็รอดตัวไปไม่เจ็บตัวไม่ทุกข์ใจ เวลาที่ไม่ได้ตอนนั้นแหละจะเสีย อ, อกเสียใจบางครั้งถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายไปก็มีเพราะเราไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้ทำอย่างที่เราอยากให้เขาทำเช่นอยากให้เขามีความซื่อสัตย์กับเราอยากให้เขารักเราไปตลอดเวลาถ้าเกิดเราไปรู้ว่าเขาไปแอบไปมีอะไรที่ไหน รับหลังเราตอนนั้นเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจยทุกทรมานใจแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราไปควบคุมบังคับใจเขาไม่ได้เขาจะซื่อสัตย์กับเราหรือไม่เราแบบังคับเขาไม่ได้เขาจะแอบไปมีอะไรกับใครที่ไหนนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้แต่เราห้ามใจของเราได้ด้วยการอยาบไปอยาก ให้เขาเป็นตามที่เราอยากเขาอยากจะเขาจะซื่อสัตว์กับเราก็เรื่องของเขาเขาจะไม่ซื่อสัตว์กับเราก็เรื่องของเขาเราต้องทำใจเราต้องไว้ใจกันแล้วก็ต้องอยู่กับมันเท่านั้นเองถ้าเขาซื่อสัตว์กับเราก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วก็เป็นความดีของเขาถ้าเขาไม่ซื่อสัตว์กับเราก็ถือว่าเป็นกรรมของเรา เป็นความไม่ดีของเขาแต่ถ้าเราเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนทําใจของเราให้เป็นกลางไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขารับรองได้ว่าเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือวิธีแก้ปัญหาของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราเราต้องพร้อมที่จะรับกับ เหตุการ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเหมือนกับเราพร้อมที่จะรับกับการตกของฝนนี่แ เ, เวลาฝนตกหรือไม่ตกนี้เราจะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไปสั่งให้ฝนตกหรือไม่ตกไม่ได้นั่นเองความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นเหมือนฝนทั้งนั้นหละ เราไปสั่งเขาไม่ได้หรอกทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ใจของเราเองเรายังสั่งไม่ได้เลยบางเวล า, ลาเราไม่อยากจะโกรธเรายังห้ามไม่ให้โกรธไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกภาคเพียนปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปเราจะสั่งใจของเราได้เราจะทำให้ใจของเรานี้ ทำตามคําสั่งของเราได้จะห้ามใจไม่ให้โกรธได้ห้ามไม่ให้โลภได้ห้ามไม่ให้หลงได้ห้ามไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้นี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธเจ้าความวิเศษของพระธรรมคําสองของพระพุทธเจ้าที่จะทําให้เรานี้สามารถอยู่อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลง กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบข้างรอบตัวเราได้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นและเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่างไม่มีความทุกข์ใจและจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปอยู่ที่การ ปฏิบัติด้วยความภาคเพียรสประการนี้เองคือภาคเพียรทําความดีที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นแล้วก็ภาคเพียรรักษาความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้หดหายไป 3. ให้ลดให้ละให้ใหตัดการกระทาที่ไม่ดีบาปกรรมทั้งหลายให้น้อยลงไปและหมดไป บาปกรรมและการกระทำที่ไม่ดีที่ได้ตัดไปแล้วได้เลิกไปแล้วก็อย่าให้กลับไปทำอีกทำอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเป็นเจ้านายของใจของเราเราจะสามารถดับความทุกข์ทั้งหลายที่ใจของเราสร้างขึ้นมาเองนี้ได้หมด จะไม่มีความทุกข์เข้ามาทำลายเหยียบย่ำจิตใจของเราเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามใครจะซื่อสัตย์กับเราหรือไม่ซื่อสัตย์กับเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใครจะด่าเราหรือไม่ด่าเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใครจะชมเราหรือไม่ชมเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใครจะเบียดเบียนเราหรือไม่เบียดเบียนเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ใครจะอยู่ใครจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งหมดเพราะใจของเรามไม่มีความอยากกับใครทั้งนั้นใครจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปใครจะตายก็ปล่อยให้เขาตายไปเหมือนกับฝนฝนจะตกเราก็ปล่อยให้เขาตกไปฝนจะหยุดเราก็ปล่อยให้เขาหยุดไปก็เท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เราทุกคนทําได้ถ้าเราพยายาม ต่อสู้กับความหลงของเราต่อสู้กับความโลภความโกรธของเราด้วยการปฏิบัติคือทำความดีละบาปและชละําระใจด้วยการปฏิบัติทำนั่งสมาธิเดินจงกรมสมถภาวานาและมัตสนาภาวาน า, า, ว า, นาทําไปเถิดแล้วรับรองได้ว่า เราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับเราจะมีความทุกข์น้อยลงไปตามลาดับอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาสะสมวิริยะบาลีเพื่อการหลุดพ้ น, นจากความทุกข์ทั้งหลายและเพื่อความสุขที่เทาวรนที่จะตามมาต่อไปนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพิริศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็ห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนกรัยและคุณผุ้สนที่ท่านได้มาพงเป็นกนันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแ้วฆ่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วนหน้ากังเธ อ, อ